อันนีวโยมรอก่อนนะเดี๋ยวค่อยให้พระอนุโมทนาพร้อมกันเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าถึงเจ้าวาดวัดรูปหนึ่งในแคนาดาที่ประกาศขายวัดเพื่อเอาเงินมาช่วยผู้ประสบภัยสึนามิที่เมืองไทยนะเมื่อปีสีเจท่านเป็นชาวเวียดนามแล้วก็ ทราบซึ่งในบุญคุณของคนไทยที่เคยช่วยชาวเวียดนาม อ, อพยพยนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคนไทยยังไงก็เลยประกาศขายวัดนะอันนี้เมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นนะก็มีนักมีพระชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะท่านชื่อทึกแต่ซื้อจีนมั สมัยนั้นเนี่ยคือเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันพระไตยปิดกนี้หายายากมากจันก็อยากสร้างพระไตยปิดกขึ้นมาชุดหนึ่งก็เลยไปทำการเรียลลยจากชาวบ้านเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะคนที่บริจาค ก, ก็เป็นคนเล็กคนน้อยเป็นชาวนาชาวชาวไร่พ่อค้า ท่านใช้เวลาถึงสิบปีนะกว่าจะรวบรวมเงินพอที่จะสร้างพระตะปิตกแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเองเกิดน้ำท่วมใหญ่คนตายเป็นจํานวนมากแล้วคนเดือดร้อนก็มากด้วยท่านตัดสินใจเอาเงินที่รวบรวมได้เนี่ยแทนที่จะสร้างพระตะปิตกก็เอามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก็เป็นนั้นว่าท่านต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ต้องก็ใช้เวลาอีกสิปีนะในการที่จะรวบรวมเงินเพื่อสร้างพระไตรปิฎกก็เหนื่อยทีเดียวนะเพราะว่าต้องพิคขาจานไปตามที่ต่างๆได้เงินมาครบแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุร้ายอีกนะมันเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ก็มีคนตายแล้วคนเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก ท่านก็ตัดสินใจเอาเงินนี่แหละแทนที่จะสร้างพระ泰พิตร ก, ก็เอามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโรคระบาดเป็นเวลา20ปีที่ผ่านมานี้ท่านยังไม่สามารถจะสร้างพระ泰ปิตกได้ตามความมุ่งหมายก็เลยนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่สม คราวนี้ก็ใช้เวลาก็พอๆกันน่ะสิบกว่าปีจกนกระทั่งได้เงินมาคราวนี้สามารถจะสร้างพระไตยปิฎกได้สำเร็จนะชายญี่ปุ่นก็บอกว่าเนี่ยท่านแต่ซอจินเนี่ยสร้างพระไตยปิฎกสามชุดนะสองชุดแรกนี่มองไม่เห็นแต่ชุดที่สามนี้เห็นนะอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะที่จริงชาวพูดเรานี่ก็ถือว่าพระตยปิฎกนี้สาคัญมากเลย แล้วยิ่งใครสร้างพระ泰ิดกได้นี่ถือว่าได้บุญมากนะอาจจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนะแต่ว่าท่านเตซุจินี่ท่านคิดว่าในเมื่อคนกำลังเดือดร้อนต่อหน้าต่อตานี่ถ้าไม่ช่วยมันก็กระลรอยู่พระ泰ิดกนี่วันนี้สร้างไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังสร้างได้ แต่ถ้าคนตายไปแล้วนี่เอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้นท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาเงินสร้างพระปพทงนี้แหละมาช่วยเหลือก็แปลให้เป็นข้าวเป็นยาเป็นที่พักอาศัยเป็นเครื่องนึ่งหม่มที่จริงพูดถึงไอ้ของเหล่านี้นี่ถ้าวัดในแง่คุณค่าแล้วเนี่ยมันสู้เรื่อง คุณค่าทางจิตใจไม่ได้เช่นความสงบความสุขใจที่เป็นบุญหรือแม้กระทั่งนิพพานนะปรมัตถะคือประโยชน์อันยิ่งเนี่ยคือนิพพานเนี่ยถือว่าประเสริญยิ่งกว่าความสุขทางโลกเช่นเข้าปลาอาหารหรือว่าเครื่องนึ่งหม่มนะแต่ว่าคนที่กําลังจะตายเนี่ยนะ สิ่งที่ก็ต้องการเร่งด่วนก็คือปัจจัยสี่ถ้าหากว่าช่วยต่อชีวิตเขาไปได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ได้พบธรรมะได้เรียนรู้ธรรมะได้แต่ถ้าตายไปเสียแต่ตอนนี้แล้วนะไอ้ธรรมะที่มีมันก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนะนอกจากช่วยตอนงานศพนะซึ่งมันก็มีประโยชน์ไม่มากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะขายวัดหรือว่าการที่จะอ เ, อเอาเงินสร้างพระไตรปิฎกนี้ไปช่วยคนที่กาลังเดือดร้อนนี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จริงอาหารก็ดีเครื่องนึ่งหอมก็ดีที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่มีความหมายแต่ในแง่วัตถุที่เพียงแค่ยืดชีวิตคนเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังมีคุณค่าทางจิตใจด้วย เพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนช่วยเขาของยังไม่ทันมาถึงเลยแต่ใจเขาเนี่ยมีปิติแล้วว่าโอ้มีคนที่นึกถึงเขามีคนที่ห่วงใยเรานะเวลาเราทุกเนี่ยนะถ้าเราเพียงแค่เราล้วามีคนห่วงใยเราเนี่ยใจเราก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากเขาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของที่ได้มาจากการขายวัดก็ีหรือได้มาจากการเอาเงินสร้างวัตถะพิตรมามาซื้อก็ตามเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะมันทําให้คนเนี่ยเกิดความทราบซึ้งในธรรมะแล้วก็เกิดศรัทธาในความดีคนเราเวลาเดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยมันจะรู้สึกย่ําแย่มากรู้สึกว่าคนทำไมคนไม่มีน้ําใจกัน แต่ถ้าเกิดว่าได้ร่วมมีใครมาช่วยเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนอกจากมีความปิติทราบซึ้งในเมตตากรุณาของเพื่อมนุษย์แล้วก็ยังมีศรัทธานในความดีงามมีศรัทธานในเพื่อมนุษย์ก็ทําให้จิตใจเนี่ยน้อมไปในทางที่จะทําความดีงามเพื่อเป็นการตอบแทนผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นการช่วยเขานี่มันก็เป็นการแสดงธรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการเป็นการ เอาธรรมะไปสถิตไว้ในใจเขาเพราะมันไม่ใช่เป็นการแค่ช่วยด้วยวัตถุแต่ว่ามันมีน้ําใจที่เข้ามาด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่มันดูเหมือนตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันก็สอดคล้องกันเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยจะมาได้เจอพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งนะท่านเลายหฟังว่าท่านเคยรวบรวมเงินเป็นจํานวนล้านล้านบาทเลยนะเพื่อไปช่วย ชาวขเขมรเราคงจําได้ดีว่าเมื่อ20 30ปีก่อนในขเขมรมีการสู้รบกันต่อเนื่องกันมา10กว่าปีจนกระทั่งเกิดสันติภาพขึ้นก็มีการฟื้นฟูประเทศขึ้นมาคนขเขมรนี่เรียกว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างโรงเรียนการสร้างวัดสร้างวานะท่านก็ไปที่ประเทศขเขมร น, นี่แหละแล้วก็ไปเจอโรงเรียนหนึ่งนะ โรงเรียนนั้นเนี่ยขาดแคลนหลายอย่างมากนะมีแต่อาคารหลังคากับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนขาดอะไรต่ออะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นตำราไม่ว่าจะเป็นปากกาไม่ว่าจะเป็นดินสอเครื่องกีฬาพารุ่นี้ท่านก็ไปคุยกับครูใหญ่ว่ามีอะไรอยากจะให้เขาช่วยไหมยินดีที่จะช่วย ในใจก็นึกนะว่าครูใหญ่ก็คงจะขอให้ช่วยหาซื้อเครื่องเขียนตำราเรียนเครื่องกีฬาหรือว่าช่วยาหาเงินมาสร้างอาคารหลังใหม่ปราว่าผิดคาดนะครูบอกว่าขอช่วยส่งเมล็ดพันธุ์มาให้เขาได้ไหมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะดอกไม้สวยๆ ง, งามๆเพราะว่าเด็กที่นี่ใจคอห่อเหี่ยวมากนะเพราะว่าเกิดมาในยุคที่มีสงคราม แล้วก็มันขาดลายไปทุกอย่างจิตใจเด็กคอเหี่ยวมากเพราะคนนี่ก็ผู้ใหญ่นี่ก็หน้าตาทุกนะหม่นมองเพราะสงครามเด็กก็เลยพลอยได้รับผลกระทบด้วยเด็กมเมื่อเรียนหนังสือนี่จิตใจไม่มีความสุขเลยครูก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้ดอกไม้มาปลูกที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กนี่มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสจะได้มีกําลังเรียนหนังสือ พระญ่ปุบอกว่าไม่เคยนึกมาก่อนเลยนะว่าครูจะคิดแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากคือเรื่องของจิตใจนะจิตใจของเด็กเนี่ยสาคัญมากสําคัญมากกว่า อ, อุปกรณ์การเรียนการสอนซะอีกนะถ้าจิตใจมีความแช่มชื่นเบิกบานไม่ไม่ท้อไม่หดหูวเนี่ยนะไอ้เรื่องอื่นมันตามมาทีหลังท่านบอกว่าท่านละอายใจมากเป็นพระนะแต่ว่าไป น, นึกแต่เรื่องวัตถุนะ ลืมเรื่องจิตใจไปก็เลยตกลงพอกลับมาเมืองไทยก็หาซื้อเม็ดพันธุ์ต่างๆดอกไม้นานาชนิดไปให้ส่งไปทางเครื่องบินบอกกัว่าครูก็ดีใจมากนะแล้วก็เอามาปลูกนะนักเรียนก็ช่วยปลูกด้วยนะโรงเรียนนั่นที่มันเคยบรรยากาศมันห ม, มนมองเนี่ยในเวลาต่อมาก็สว่างสวัยนะเพราะว่าดอกไม้มันบานสะพรั่งเลย เครื่องเขียนก็ยังขายแคนอยู่นะอาคารก็ยังซอมซ่ออยู่นะแต่จิตใจเด็กเปลี่ยนไปละนะจิตใจครูก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้แหละมันเป็นมันเป็นพื้นฐานของการสร้างประเทศนะของการสร้างอน า, าคตหรือการสร้างความเจริญของชีวิตได้อสองเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนขัดดูเหมือนกับไม่ไม่ตรงกันนะคนนึงเอาเงินที่จะสร้างปตัตตปิกมาซื้อ อาหารซื้อยาเครื่องนุ่งห่มให้ผู้ที่ประสบภัยอีกคนหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนี่ซื้อดอกไม้มาเพื่อให้จิตซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเป็นดอกไม้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีใ จ, ใจิตใจชื่มชื่นเบิกบานแต่ที่จริงมันสอดคล้องกันเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเมตตาธรรมและการให้ความสําคัญกับชีวิตมนุษย์ทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจทั้งเรื่องวัตถุแล้วก็เรื่องนามธรรมนะ แล้วสองอย่างนี้มันจะมองข้ามไปไม่ได้ดูที่ว่าในกรณีไหนจะสําคัญกว่ากันแต่ทั้งหมดนี้มันต้องไปควบคู่กันนะก็คือว่าให้วัตถุแต่ว่าก็มีเมตตากรุณาด้วยและขณะเดียวกันถ้าหากว่าเด็กผู้คนเขายังมีจิตใจหมนหมองเราก็ต้องช่วยทําให้จิตใจเขาแช่มชื่นเบิก บ, บานอ่าแล้วก็เตรียมรับพรนะกรุณามุทนานะที่ญาติโยมมาช่วยกันถวายอาหารแล้วก็